การทำใจให้สงบตั้งมัน่นเรียกว่าเป็นการทำสมาธิสมาธิคือความสงบตั้งมั่นของใจมีอยู่สามลักษณะด้วยกันคือตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้ชั่วขณะหนึ่งชั่วระยะสั้น แบบงูแลบลินเรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าสงบตั้งมั่นอยู่ได้นานเรียกว่าอปปนาสมาธิถ้าสงบตั้งมั่นแล้วออกไปเที่ยวเตร่ในโลกทิพย์เรียกว่าอุปจาระสมาธินี่คือสมาธิ สามชนิดของผู้ที่ปฏิบัติสมาธิที่อาจจะได้สมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งจึงอยากจะขอแนะนำให้รู้จักและให้รู้ว่าสมาธิแบบไหนเป็นสมาธิที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ต่อจิตใจสมาธิที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจในการที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยอำนาจของปัญญานั้นจำเป็นจะต้องเป็นอปปนาสมาธิ คือสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาเป็นอุเบกขาตลอดเวลาสำหรับคันธิกะสมาธินี้เป็นสมาธิเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เวลาได้ผลของสมาธิครั้งแรก มักจะเป็นคณิกะสมาธิคือสงบตั้งมั่นได้ชั่วเระยะเวลาสั้นๆแบบฟ้าแบลบหรือมูแลบลินเพราะว่ากำลังของสติที่จะดึงให้ใจเข้าสู่ความสงบยังมีไม่มากพอ มีมากพอที่จะดึงให้เข้าสู่ความสงบเพียงแป๊บเดียวแล้วก็ถูกกำลังของกิเลสตัณหากามะฉันท์คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทธภัพดึงใจให้ออกจากสมาธิแต่ถ้าหลังจากออกมาแล้วเห็นคุณค่าเห็นความสุขที่ได้ จากการทำใจให้สงบตั้งมัน่นผู้ปฏิบัติก็จะเพียรพยายามจะลานสติให้มากขึ้นไปตามลำดับและพอกลับไปนั่งสมาธิครั้งต่อไปเจ็ดก็จะสงบได้นานขึ้นไปตามลำดับถ้าให้เวลากับการสร้างสติให้มากเรื่อยๆ คือพอออกจากสมาธิมาก็พยายามเพียยนจริญสติต่อทันทีพุโทโธพุโทโธไม่ว่าจะทำภารกิจอะไรก็ตามหรือไม่ทำก็ตามพยายามใช้พุโทโธคอยควบคุมจิตใจไม่ให้คิดปรุงแต่งแล้วพอมีเวลา นั่งสมาธิก็กลับเข้าไปนั่งตอบข่าวต่อไปจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้งาได้นานยิ่งขึ้นไปตามลำดับผู้ที่ปฏิบัติแล้วเห็นคุณค่าของความสงบของใจก็จะตัดกิจกรรมทางอื่นไปคยไปหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆก็จะงดจะเลิกเพื่อที่จะเอาเวลามาจเจริญสติมานั่งสมาธิต่อไปจนอาจจะออกบวชเลยก็ได้ถ้าอยากจะได้ความสุขจากความสงบตั้งมั่นของจิต ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็จะลาออกจากงานถ้าทำงานทำการอยู่มีครอบครัวมีอะไรก็ จ, จะแยกทางกันเพื่อไปสู่วิถีชีวิตของนักบวชเพื่อที่จะได้มีเวลาในการเจริญสติ ในการนั่งสมาธิให้มากขึ้นจนสามารถทำใจให้สงบได้ทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกจากสมาธิถ้าได้ความสงบแบบนี้ได้อัปปนาสมาธิแบบนี้ก็พร้อมที่จะขึ้นไปสู่การเจริญปัญญา หรือวิวปัสสนาภาวนาต่อไปเพราะใจนี้มีพลังอัปปนาสมาธินี้จะเป็นตัวให้พลังแก่ใจให้กำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ส่วนสมาธิอีกสมาธิหนึ่งที่เรียกว่าอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่เวลาจิตสงบตั้งมั่นแล้วไม่ตั้งอยู่ในอุเบกขาจิตออกไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไปดูรูปทิพย์เสียงทิพย์ไปสัมผัสกับกลิ่นทิพย์รสทิพย์ต่างๆ คือไปได้อภินยาเละอิทธิฤทธิ์บางท่านก็อาจจะติดต่อกับกายทิพย์ได้ท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไปสวรรค์ไปนรกติดต่อกับกายทิพย์ชนิดต่างๆทั้งเทวดาทั้งเปรตทั้งอสูรกาย หรือเล้าเลิกชาติได้หรืออา่านความคิดของผู้อื่นได้อ่านวารลจิตของผู้อื่นได้ผู้อื่นกำลังนั่งคิดอะไรอยู่นี่เป็นเหมือนกับมีโทรศัพท์ต่อสายตรงกันได้อ่านความคิดของผู้อื่นได้หรือเหาะเหินเดินอากาศได้ เนรมิตตอนให้จากเป็นหนึ่งให้เป็นหลายหลายก็ได้อันนี้คือผลที่ได้จากการได้อุปจาระสมาธิผลที่เสียก็คือไม่มีกำลังของอุเบกขาแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะเอาไปใช้งานวิปัสสนา งานที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ก็จะไม่มีประโยชน์ในในการที่จะช่วยให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเวลาเจอความโลภความโกรธความหลงความอยากก็มักจะสู้ไม่ไหวจะไม่สามารถที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลง ความอยากต่างๆได้ทำให้ความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากก็จะดับลงไม่ได้สมาธิแบบนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งหลายจึงเป็นสมาธิที่เป็นภัยต่อผู้ปฏิบัต ถึงแม้จะเป็นมีคุณวิเศษระ ล, ลึกชาติได้ออกเหินเดินอากาศได้อ่านวาลจิตของผู้อื่นได้ติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้แต่ไม่เป็นประโยชน์กับการหลุดพ้นจากของทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นนั้นจึงไม่ควรที่จะ ออกไปทางอุปจารสมาธิถ้ามีวาสนาอุปจารสมาธินี้ไม่ได้เกิดกับผู้ปฏิบัติสมาธิทุกๆคนส่วนใหญ่มักจะได้อัปปนาสมาธิกันแต่มีส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่มีวาสนาหรือมีเจริญที่จะไปทาง อุปจารสมาธิหลังจากที่จิตรวมเข้าสู่ความสงบแล้วจะไม่อยู่กับอุเบขาคือจะไม่สับแต่ว่ารู้แต่จะไปรู้เรื่องราวของจิตวิญญาณต่างๆในประวัติหรือหนังสือปฏิปทาที่หลวงตามหาบัวท่านเขียนไว้ท่านก็มีเกี่ยวกับครูบาอาจารย์หลายรูป ที่มีตาทิพย์หูทิพย์ที่ติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้อย่างเรื่องของหลวงปู่ชอบนี่ท่านก็มีวาสนาทางนี้ท่านจะมีเทวดามาเยี่ยมเยียนอยู่เรื่อยๆสมาธิของท่านนี่บอกว่ามันชำนานมากมีพลังมากไม่ต้องนั่งหลับตาก็สามารถที่จะ คุยกับเทวดาได้ครั้งหนึ่งท่านอดอาหารหลายวันเทวดารูปหนึ่งก็สงสารอยากจะเอาอาหารทิพมาถวายท่านบอกว่ า, ากินอาหารทิพไม่ได้ตอนนี้มันอตอนเย็นขเขาก็บอกว่าเพียงแต่เอามารูปชโลม ใจฉะนั้นให้ใจมีความอิ่มเอิท่านก็บอกว่าคุณเป็นผู้หญิงออามาะลมใจพระไม่ได้ท่านก็ปฏิเสธไปนี่คือตัวอย่างของผู้ที่สามารถเข้าอุปจารสมาธิได้สามารถติดต่อกับโลกทิพย์กายทิพย์ที่อยู่ในโลกทิพย์ต่างๆได้ อย่างแม่ชีรูปหนึ่งคือคุณแม่ชีแก้วก็มีเจรลดในทางนี้สามารถติดต่อกับดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วท่านเราอ่าท่านก็มีดวงวิญญาณของหูป่าถูกนายพรานฆ่าตาจับได้แล้วก็ฆ่าตายหูป่านี้ก็มาปรับทุกข์ กับคุณแม่ชีแล้วก็บอกว่าถ้าเขาเอาเนื้อหมูป่ามาถวายแม่ชีเนียวันรุ่งขึ้นขอให้แม่ชีรับไว้พราะเขาจะขอถวายเป็นุปเป็นทานให้กับแม่ชีแล้วพอรุ่งเช้าก็มีนายพานนี่เอาเนื้อหมูป่ามาถวายให้แม่ชีที่สำนัก นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติสมาธิแต่ถ้ายังอยู่ในขั้นของการเจริญมรรคผลนิพพานอยู่เคยถ้ายังไม่ได้หลุดพ้นไม่ควรที่จะปล่อยให้ใจไปในทางอุปจารสมาธิสามารถใช้สติ ดึงใจให้กลับเข้ามาในอุเบกขาได้นะอย่างนี้ต้องมีครูบาอาจารย์ผู้ที่มีประสบะการณ์มาก่อนคอยเตือนคอยห้ามไว้เพราะถ้าไม่มีแล้วก็จะหลงคิดว่าเป็นคุณวิเศษที่จะเอาไปต่อสู้กับกิเลสได้แต่ สมาธิแบบนี้จะไม่มีกำลังของอุเบกขาที่จะอยู่นิ่งๆเฉยๆเวลาที่เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดความอยากขึ้นมาได้จะถูกกำนางของความโลภความโกรธความหลงความอยากชุดลากไปให้ไปทำอะไรที่ต้องกลับมาเสียใจทุกข์ใจต่อไป น, นี่คือสมาธิสามรูปแบบด้วยกันสมาธิเราควรที่เราควรที่จะมันจเจริญให้มีอยู่มากๆก็คืออัปปนาสมาธิเพราะถ้ามีอัปปนาสมาธิแล้วเวลาที่เราได้ยินได้ฟังปัญญาความรู้ทางปัญญาเช่นไตลักเช่นอริยสัจสี่ เราสามารถที่จะเอาปัญญานี้มาใช้ดับความทุกข์ต่างๆได้ถ้าเรามีอัปปนาสมาธิเป็นกำลังของใจถ้าเปรียบเทียบสมาธิทั้งสามแบบนี้อานิ้กะสมาธิก็เป็นเหมือนเด็กยังมีกำลังไม่มากสมาธิอัปปนาสมาธินี้ก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่ ที่ได้พักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารพร้อมที่จะออกไปทำงานทำการส่วนอุปจารสมาธินี่เป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบหลับนอนชอบเที่ยวเต่ไม่มีเวลาพักผ่อนหลับนอนเวลาพักผ่อนหลับนอนแทนที่จะพักผ่อนหลับนอนก็ไปเที่ยวเต่ไปดูหนังฟังเพลงไป เที่ยวไปเล่นไปทําอะไรต่างๆก็เลยไม่มีกําลังวังชาที่จะไปทํางานในตอนเช้าเวลาที่ต้องไปทํางานนะเวลาเข้าในเข้าไปในอัปปนาสมาธินี่เป็นเหมือนคนนอนหลับแล้วไม่ฝันคนนอนหลับสนิทเวลาตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกมีกําลังวังชา ส่วนคนที่เข้าไปในได้อุปจารสมาธิเป็นเหมือนคนที่นอนหลับแล้วฝันฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีฝันร้ายนี่พอตื่นขึ้นมานี่เนื้อแตกพักก็ไม่ได้พักผ่อนไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปทำอะไรได้เหมือนกับคนที่ได้พักผ่อนหลับนอนอย่างเต็มที่ นี่คือสมาธิที่ผู้ปฏิบัติสมาธิอาจจะต้องได้พบได้เห็นก็อย่าไปหลงกับสมาธิที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเช่นมีตาทิ่ติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้ระลึกชาติได้ หรือรู้วา่าวาระจิตของผู้อื่นได้ความรู้เหล่านี้ไม่สามารถนํามาใช้ในการดับความทุกข์ของใจได้ไม่สามารถมายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้และอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาไปก็ได้เป็นเครื่องมือของ กิเลสที่จะดึงให้จิตใจไปติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดยกตัวอย่างของผู้ที่มีอุปจารสมาธิแล้วก็เกิดความเสียหายตามมาก็คือพระเทวทัตนี่พระเทวทัตนี่ท่านก็ได้อุปจารสมาธิท่านมี อิทธิฤทธิปฏิหารบางอย่างจึงทำให้ท่านคิดว่าท่านเก่งมีความสามารถควรที่จะเป็นผู้รับหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าพอเห็นพระพุทธเจ้ามีความชลาก็เลยไปขอ อนุญาตเป็นให้ทรงแต่งตั้งให้ตนเองเป็นประธานสงฆ์ปกครองสงฆ์แต่เนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเทวทัตนี้ยังไม่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ปกครองเพราะยังปกครองตนเองไม่ได้ยังควบคุมกิเลสตัณหาความโลภความอยากไม่ได้จึงทรงกล่าวปฏิเสธไป โดยตัดว่าแม้แต่อัครสาวก ข, ของพระองค์ที่มีความสามารถมากมายพระองค์ก็ยังไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ทำหน้าที่แทนแล้วเทวทัตเธอ ม, มีอะไรถึงวิเศษอย่างไรถึงควรที่จะมาเป็นผู้ปกครองสงฆ์พอได้รับการปฏิเสธจากพระพุทธเจ้าก็เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาอย่าง รุนแรงทำให้กิเลสคือความโกรธนี้คิดที่จะพยายามปลงพระชนพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันครั้งแรกส่งจ้างคนไปฆ่าก็ทำไม่สำเร็จครั้งที่สองปล่อยช้างออกมาเพื่อหวังให้ เ, เหยียบพระพุทธเจ้าช้างก็ไม่ทำ ครั้งที่สามก็แอบขึ้นไปอยู่บนเขารอให้พระพุทธเจ้าเดินผ่านมามแล้วก็กิงก้อนหินใหญ่ลงมาเพื่อหวังให้ทับพระพุทธเจ้าให้ตายก็ทำไม่สำเร็จทำได้เพียงแต่ทำให้พระบาทห่อเลือดจากสะเก็ดหินที่ไปถูกพระบาทของพระพุทธเจ้าการทำกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นอนันตเลยกรรม เป็นกรรมที่หนักเหมือนกับมีอยู่ห้าข้อด้วยกันที่เป็นอนันตริยกรรมคือหนึ่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพะาระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดแล้วก็ทำให้สงเกิดความแตกแยกสามัคคีผู้ที่ทำบาบแบบนี้จะต้องไป ติดตกนรกในขุมที่ลึกที่สุดที่นานที่สุดที่มีความทุกข์มากที่สุดนี่คือผลที่เกิดจากการที่ได้อุปจารสมาธิแล้วหลงคิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษแล้วก็เลยถูกกิเลสหลอกถูกความอยากหลอกให้คิดว่า เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาได้เป็นใหญ่เป็นโตความอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็หลอกให้คิดว่าตัวเองเก่งตัวเองฉลาดแต่พอแม่ผู้อื่นไม่เห็นด้วยก็เกิดความโกรธขึ้นมานี่คือเรื่องของอุปจารสมาธิที่มันมีอยู่ในวงการของผู้ปฏิบัต ที่ผู้ปฏิบัติควรจะรับรู้ไว้ว่าเป็นสมาธิที่เป็นโทษต่อผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุแต่ถ้าหลังจากได้บรรลุหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วสมาธิแบบนี้ก็เอามาใช้ประโยชน์ในการเผยแผ่ธรรมะได้ อย่างที่พระธเจ้าได้ส่งชัยส่งแสดงเทวสอนสอนธรรมะให้แก่เทวดาทุกคืน่นก็ต้องใช้อุปจารสมาธิใช้ใช้อุปจารสมาธิในการติดต่อกับพวกเทวดาทั้งหลายหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็มีเทวดามาฝังเทศฝังธรรมหลวงปู่มัน่นท่านก็มีอุปจารสมาธิท่าน สามารถแสดงทรรมให้กับพวกเทวดาได้เหมือนกันพวกเทวดาก็จะได้รับประโยชน์จากผู้ที่มีอุปจารสมาธิผู้ที่หลุดพ้นแล้วถ้ายังไม่หลุดพ้นแล้วก็จะไม่สามารถเอาธรรมมาสอนเทวดาได้เพราะใจยังหุ้มห่อด้วยกิเลสตัณหานี่คือ อุปจารสมาธิมีคุณและมีโทษต้องรู้จักใช้ให้เหมาะสมกับเวลาของมันพระพุทธเจ้านอกจากใช้ <c oughs> การอุปจาระในสมาธิในการแสดงทำให้กับเทวดาแล้วยังใช้แสดงโปตให้กับ อ, องค์คุลิมาองค์คุลิมานีาน้พยายามที่จะตามไล่ฆ่าพระพุทธเจ้า แต่วิ่งไล่ตามเท่าไร่ก็ตามไม่ทันเพราะพระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิฤทธิปาฏิหารินี้ทำให้องคุลิมา น, นี้วิ่งไล่ตามไม่ทันจนองคุลิมานต้องตะกนบอกว่าท่านหยุดเถิดผมไล่ตามไม่ทันแล้วเหนื่อยพระพุทธเจ้าก็หันกลับไปตอบว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุด ของคุณิมานก็งงก็ท่านหยุดยังไงผมวิ่งไล่ท่าไหร่ก็วิ่งไล่ตามไม่ทันเราทรานเจ้าก็บอกว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วพอพูดอย่างนั้นก็เกิดปัญญาเกิดธรรมะขึ้นมาในใจอ๋อผู้ที่ิเศษจริงๆนี้ต้องหยุดความโลภความโกรธความหลงต้องฆ่ากิเลสไม่ใช่ไปฆ่าคนนั้นคนนี้ เพื่อจะทำให้ตนยิ่งใหญ่ขึ้นมาองคุลิมาก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายจากการไปฆ่าผู้อื่นมาฆ่ากิเลสของตนเองแทนพอฆ่ากิเลสของตนเองได้ก็บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ขึ้นมาได้นี่แหละเรื่องของอุปจารสมาธิมีทั้งคุณมีทั้งโทษเหมือนกับมีด ที่เป็นทั้งคุณทั้งโทษได้ถ้ารู้จักใช้มีดก็เอาไปหั่นผักหั่นเนื้อทำกับข้าวกับปลาได้ถ้าใช้ไม่เป็นก็อาจจะเอามาทิ่มแทงตนเองได้ฉะนั้นถ้ายังมีกิเลสอยู่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับอุปจาระสมาธิถ้ามีวิสัยมีนิสัยหรือมีวาสนาที่จะ ออกไปทางอุปจารสมาธนะิดึงกลับเข้ามาอัปปนาสมาธิก่อนดึงให้กลับเข้ามาสักแต่ว่ารู้เฉยๆให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้จิตเป็นหนึ่งไม่คิดปุงแต่งไม่ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะให้สงบอยู่ในอุเบกข า, านานๆเพราะอุเบกขานี่คือกําลังที่จะหยุดกิเลสได้ เวลาเกิดความโลภแล้วปัญญาสอนว่าเป็นทุกข์เนี่ยถ้าไปโลภก็ใช้อุเบกขาหยุดความโลภได้ไม่ไปทำตามความโลภได้พอไม่ทำตามความโลภเดี๋ยวต่อไปความโลภมันก็หมดกำลังเองเช่นคนที่ติดบุหรี่อยากจะสูบบุหรี่ก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าถ้าสูบบุหรี่ก็ต้องสูบไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดเน เพราะความอยากสูบมันไม่หมดสูบมวนนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะสูบมวนต่อไปมันก็ต้องติดไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่ไม่มีบุหรี่สูบก็จะงดหงิดลำคาญใจถ้าไม่อยากจะงดหงิดลำคาญใจไม่อยากจะต้องมายุ่งกับการหาบุหรี่มาสูบอยู่เรื่อยๆก็หยุดเฉยๆอย่าไปสูบเหมือนทุกครั้งที่อยากจะสูบก็ทำใจเฉยๆ ถ้ามีอุเบกขาก็ทำใจเฉยๆได้ไม่เดือดร้อนไม่รู้สึกทุกข์ทรมานใจถ้ามีอุเบกขาแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วมันจะทนไม่ไหวก่อนที่ติดอะไรเลยพอเวลาอยากจะทำตามความอยากแล้วใจมันจะรู้สึกทรมานเวลาที่ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำหรือเวลาที่ยังไม่ได้อะไรที่อยากได้ ใจมันจะหงุดหงิดลำคาญใจจะผ่านพโลไปหมดเนยต้องต้องไปเอาในสิ่งที่อยากได้หรือไปทําในสิ่งที่อยากทำพอได้ทำแล้วเออล่งออกไปชั่วข่าวใจหายหงุดหงิดหายลาคาญชั่วข่าวแต่เดี๋ยวความอยากใหม่ความอยากชนิดเดียวกันก็กลับมาใหม่อีก มันก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆคนถึงติดบุหรี่ติดสุราติดกาแฟติดขนมติดละครนี่เป็นของที่เกิดจากการทําตามความโลภทั้งนั้นพอ อ, อยากทําอะไรแล้วได้ทําแล้วเดี๋ยวมีครั้งที่สองนะเดี๋ยวมีครั้งที่สามครั้งที่สี่ไปท่านถึงสอนว่าสุราแม้แต่ถ้วยเดียวก็อย่าไปแตะมัน ถ้าดื่มถ้วยแล้วเดี๋ยวมันจะมีถ้วยที่สองถ้วยที่สามตามมาเนี่ยกาแฟตอนนี้ถ้วยที่เท่าไหร่แล้วที่ญาติโยมดื่มกันเนี่ยถ้ายังไม่หยุดมันก็ยังจะมีถ้วยต่อมาตามมาอีกเรื่อยๆอไม่เชื่ออีกสิบปีข้างหน้าก็มาดูถ้าไม่หยุดวันนี้เดี๋ยวอีกสิบปีข้างหน้ามันก็ยังดื่มกาแฟอยู่นั่ น, นมันก็จะเป็นอย่างนี้กับทุกอย่างที่เราอยาก พออยากกับอะไรแล้วมันจะติดพอติดแล้วเวลาไม่ได้ตามความอยากก็จะหงุดหงิดจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจทุกมากทุกน้อยก็อยู่ความรุนแรงของสิ่งที่เราไปติดถ้าติดยาเสพติดนี่รุนแรงมากพอติดแล้วไม่ได้เสพยาเสพติดนี้จะลงแดงตายให้ได้ นี่แหละคือฤิดของกิเลสไม่ใช่ลิดของยาของของหรอกตัวกิเลสนี่แหละที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราฝึกสมาธิได้ทำใจให้เป็นอุเบกขาได้พอเกิดความอยากขึ้นมามันจะเริ่มทำให้ใจสัน่นเราก็ใช้สติดึงใจให้กลับเข้าอุเบกขาได้พอใจจะเริ่มสัน่นจะเริ่มรู้สึกทุกข์ทรมานกับความอยาก ก็ใช้พุทธโธพุทธโธพุทธโธนั่งสมาธิไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวพอจิตสงบจิตอยู่เป็นอุเบกขาแล้วทีนี้ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความอยากแ ล, แล้วต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนกําลังไปครั้งนี้มันทําตามมันไม่ทําตามมันเดี๋ยวครั้งที่สองมาไหมเราก็จะไม่ทําตามมันได้ง่ายขึ้น เรากำลังมันอ่อนลงครั้งถ้าเราชนะมันครั้งแรกแล้วเราจะชนะมันได้ไปทุกครั้งแต่ถ้าเราชนะครั้งแรกไม่ได้เราก็จะแพ้มันไปทุกครั้งมันอยู่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่นัที่จะชนะมันได้จะสู้มันได้หรือไม่นี้ต้องอาศัยว่าเรามีโอบเบขาในใจหรือเราสามารถดึงใจให้เข้าไปในโอบเบขาได้หรือเปล่า ตอนที่เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมานี่แหละคือประโยชน์ของอัปปนาสมาธิถ้าคณิกาสมาธิมันแค่ช่วงหูลแลบลิ้นมันไม่มีกำลังพอเป็นเหมือนเด็กยังเอาไปทำงานทำการไม่ได้ต้องเป็นสงบนานๆเป็นชั่วโมงขึ้นไปหรือหลายๆรอบก็ได้รอบนี้ชั่วโมงเดี๋ยวอีก สักพักหนึ่งก็กลับมาเข้าอีกรอบหนึ่งช่วงที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็รักษามันด้วยสติเดินจงกรมไปพุโทโธพุโทโธไปคอยควบคุมความคิดควบคุม ค, มความอยากไว้มันก็จะ <c oughs> ทำให้มีอุเบกขาได้มากได้นานแล้วพอเกิดความโลภความอยากที่มาสร้างความทุกข์ทรมานใจ สร้างความหงุดหงิดใจให้ก็สามารถใช้สติใช้สมาธินี่ใช้อุเบกขามากําจัดความไม่สบายใจได้ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาว่ า, าต้นเหตุของความไม่สบายใจนี้ก็คือความอยากนี้เองและวิธีที่จะทําให้ความไม่สบายใจหายไปก็ต้องเลิกทําตามความอยากเนี่ยไปทำตามความอยาก พอเลิกแล้วต่อไปความอยากมันก็จะไม่มีกำลังที่จะมาคอยสร้างความรู้สึกหุดหงิดนำคาญใจรู้สึกไม่สบายใจต่างๆให้กับเราได้ใจเราก็จะปลอดภัยจากความทุกข์ของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาก็เรียกว่าเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ แต่ถ้ามีสมาธิเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ยังจะไม่รู้ว่าการทาตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ก็มีนักบวชที่รู้จักวิธีเข้าสมาธิกันแต่พอออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยาก ก็ไปทําตามความอยากหรือไม่กําจัดความอยากก็เลยทําให้ใจนี้ทุกข์ทให้ใจหงุดหงิดลาคาญใจขึ้นมา mm hmm. ก็ต้องใช้วิธีหลบเข้าไปในสมาธิแต่หลบโดยไม่รู้ว่าสาเหตุที่จะต้องหลบนี้เกิดจากอะไรแต่พอพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ปัญญาพิจารณา ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อความไม่สบายใจนี่มันเกิดจากความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นพอเกิดแล้วเคยอยู่เฉยๆได้พอเกิดความอยากแล้วอยู่ไม่เฉยแล้วอยู่ไม่ติดนะพออยากจะถึงเวลาดูละครแล้วนี่อยู่เฉยๆไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปเปิด เครื่องดูนะถึงเวลาดื่มกาแฟแล้วเนี่ยพอเกิดความอยากดื่มกาแฟแล้วเนี่ยนี่อยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องไปหากาแฟมาดืม่มต้องไปหาขนมมากินนะทั้งทั้งที่มันไม่จำเป็นจะต้องกินต้องดืม่มร่างกายไม่ได้ตายเพราะการไม่ได้ดื่มกาแฟแล้วกินขนมนะถ้าร่างกายได้อาหารตามเวลาของมันไม่ต้องดื่มกาแฟไม่ต้องรับทานขนมก็ได้ แต่ที่ที่ที่ฝืนไม่ได้ก็เพราะเคยทำทำแล้วมันติดพอไม่ทำแล้วมันจะทุกข์มันจะรู้สึกหงุดหงิดําคาญใจมันก็เลยต้องต้องไปทำพอทำแล้วมันก็ต้องทำไปเรื่อยๆ เ, เพราะมันมันเป็นธรรมชาติของความอยากความอยากมันไม่มีฝั่งไม่มีฝาเหมือนกับ น้ำทะเลมาหาสมุทรน้ำทะเลมาหาสมุทรจะกว้างใหญ่ขนาดไหนก็ตามยังมีขอบมีฝัง่งนะแต่ความอยากความโลภนี้ไม่มีขอบได้เท่าไหร่ไม่รู้จักพออยากจะได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้สิบก็อยากจะได้ร้อยอยากได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่น ได้แสนได้ล้านได้เท่าไหร่ก็ไม่พอตอนนี้ได้ร้อยล้านก็ยังไม่พออยากจะได้พันล้านนะนี่คือธรรมชาติของความอยากมันจะดันให้จิตใจต้องไปหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆพอท า, าไม่ได้ล้วรู้สึกว่าไม่มีความสุขได้ร้อยล้านล้วตอนต้องคิดว่าจะสุขก็สุขเดียวๆเดี๋ยวสักพักก็เห็นพันล้านรออยู่ข้างหน้าแนละ้ว พอเป็นพันล้านแล้วหลาร้อยล้านดูรู้สึกมันน้อยเหลือเกินอันี่เป็นธรรมชาติของความอยากมันจะหลอกให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี้มันน้อยมันไม่พอต้องเอามาเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่มันก็เหมือนเดิมพอได้มาเพิ่มแล้วก็มองเห็นของที่เรามีอยู่นี้มันน้อยมันไม่พอต้องเอามาเพิ่มอีก ก็คิดดูสมัยที่เราเป็นเด็กๆนี่เราได้เงินใช้วันละกี่กี่บาทไปโรงเรียนพอโตขึ้นมาหน่อยนี้เคยใช้เท่าไหร่เริ่มไม่พอแล้วมีของที่อยากจะซื้อมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้พอเลยยังเดี๋ยวนี้มีเงินใช้วันละกี่บาทยังพอเลยยังโดยยังอยากจะได้มากกว่านี้มีใครปฏิเสธเรื่องการได้เงินเพิ่มไหมมีใครบอกไม่อยากแล้วม มากเกินไปแล้วต้องลดเงินที่มีอยู่ให้น้อยลงไปละต้องเอาไปทำบุญทำทานไม่งั้นเดี๋ยวมันตัดความโลภไม่ได้การทำบุญทำทานนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะลดความโลภความอยากลงเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องการมีเงินไว้ใช้เท่าไหร่ถึงจะพอพอได้พอรู้ว่าพอได้เท่านี้พอแล้วก็ถ้าได้มามากกว่านี้ ก็ต้องเอาไปทำบุญทำทานถ้าเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะทำให้อยากได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกแล้วเวลาไปทำบุญทำทานมันก็จะทำให้ใจรู้สึกเบารู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขเพราะความโลภที่อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นมันถูกกําจัดไป แต่ถ้าไม่เอาบานทำโบนเอามาเก็บไว้เดี๋ยวก็เห็นจนํานวนเงินขึ้นมากขึ้นก็อยากจะให้มันมากขึ้นไปอีกเพราะมันความโลภมันยังไม่ได้ถูกกําจัดนั่นเนองแล้วก็ต้องทําให้เราต้องไปดิ้นรนหาเงินมาเพิ่มไม่รู้จะหามาทมําไหมทางๆเ ท, ท่ทาที่มีอยู่นี่ก็พอกินพอใช้อยู่แล้วแต่มันก็จะหลอกลวเราเออเผื่อวันพรุ่งนี้อย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวเกิด <c oughs> ไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรขึ้นม า, ามันก็หลอกไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หลอกให้เราต้องไปดิน้นรนไปหาเงินใหม่ไปไปทุกข์ไปวุ่นวายกับการหาเงินได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วถ้าหาไม่ได้ก็เสียใจอีกนี่เป็นเรื่องของความอยากที่เป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตใจของพวกเรา ที่จะทำให้จิตใจของเรานี้ต้องทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะความอยากที่จะพาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากเหล่านี้นั่นเองเราต้องใช้สมาธิและปัญญาปัญญานี้ก็ต้องเป็นปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตัดสู้คืออริยสัจสีหรือว่าความทุกข์ใจ เรื่องการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดของใจนี้เกิดจากความอยากทั้งสามเกิดจากกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาถ้าไม่อยากจะกลับมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องมีอุบเบกขามีใจที่เป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพอเห็นอะไร ก็จะรู้จะไม่ได้รักไม่ชังพอไม่รักก็ไม่มีความอยากได้พอไม่ชังก็ไม่มีความอยากที่จะให้มันหายไปให้มันหมดไปก็เลยทำให้ใจฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไม่สามารถที่จะมาบังคับใจให้ไปเกิดแก่เจียตายได้อีกต่อไป ต้องรู้อริยาศาสตร์สีรู้ว่าความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นทุกครั้งที่มีความอยากเหล่านี้เกิดขึ้นมาต้องหยุดมันต้องไม่ทําตามมันจะไม่ทําตามมันได้ก็ต้องมีสมาธิ อุปจารสมาอุปปนาสมาธิมีอุเบกขาที่จะเฉยกับความอยากได้อยากกินก็ไม่กินถ้ายังไม่ถึงเวลากินอยากดื่มก็ไม่ดื่มเมื่อยังไม่ถึงถึงเวลาดื่มถ้าจะดื่มก็ดื่มน้ำเปล่าๆได้น้ำเปล่าๆนี้ไม่เป็นกเลเ่อนไม่เป็นความอยากมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องคอยเติมน้ำให้กับร่างกายถ้า ใช้ปัญญาใช้สมาธิก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีตัวอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับใจอีกต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากใช้ตาหูจมูกนิ้วกายก็ไม่ต้องมีร่างกายพอไม่มีความอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรส เพราะหยุดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายร่างกายที่มีอยู่นี้ก็ไม่ไม่ใช้มันละไม่ต้องใช้มันเพราะใจไม่มีความหิวความอยากที่จะต้องใช้ร่างกายพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่พาไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆถ้าร่างกายมันเป็นอะไรไปก็ไม่เดือดร้อนไปกับมัน พอใจมีความสุขจากการอยู่ในความสงบอยู่กับอุเบกขาก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายและเวลาตายแล้วก็ไม่กลับมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปนี่แหละคือการใช้สมาธิและปัญญาที่จะสามารถที่จะมาหยุดความอยากต่างๆได้ ที่จะดับความทุกข์ที่เป็นผลที่เกิดจากความอยากได้ที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากความอยากได้อันนี้แล้วเป็นเรื่องของการปฏิบัติสมาธิที่พวกเรามาฝึกมาหาัดมาปฏิบัติกันเพื่อที่จะเอามาใช้ใ ห, หยุดความอยากต่างๆด้วยการเห็นด้วยปัญญาว่า การไปทําตามความอยากเป็นการพาไปหาความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นของชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาก็ต้องอยากใหม่อยากใหม่ก็ระงับความทุกข์ได้เดียเด๋ยวๆเดี๋ยวความสุขที่ได้หมดไปความทุกข์ใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาต่อให้เราได้อะไรมาม า, มากน้อยเพียงไร ความทุกข์ที่เราดับไปเดียวมันก็กลับมาใหม่อยู่ดีจะไม่กลับมาก็ต่อเมื่อเราหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้หยุดกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาได้พอไม่มีตัณหาทั้งสามนี้แล้วความทุกข์ก็ไม่เกิดจิตก็จะสงบสุขตลอดเวลาเป็นปัลมังสุขขังขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมานิบานังปัลมังสุขขัง นิพพานก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศ จ, จากกิเลสตัณหานี่เองผู้สิ้นกิเลสก็คือพระอาหารหันต์ที่ได้นิพพานมาเป็นที่อยู่อาศัยต่อไปไม่ต้องมาอยู่ในตายพบเหมือนพวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พวกเรายังทับกันอยู่และจะทำกันต่อไปตามใดที่เรายังไม่สามารถ ฝึกสมาธิให้ได้อัปปนาสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาให้เห็นตายรักษเห็นอริยสัจ ส, สี่ได้เห็นตายรักเห็นอริยสัจ ส, สีแล้วมีอัปปนาสมาธิเราก็จะยุติการเวีนว่ายตายเกิดได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้นี่คือเรื่องของสมาธิที่มีอยู่สามชนิดคือคณิกาสมาธิ อัปนาสมาธิและอุปจารสมาธิที่ได้นำเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวามวะอิโตทินงัง เปตาหนังอุปปักปติยิชิตังปัจจิตังตุมหังคิบมเมวะสมิจเตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปันะระโสยทามณีโชติ ภราสยทาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินสศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทิคายุโกภา พิวาทนสิลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโธามาวาทานติอายุวันโสุขังภาลาังในช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบคำถามจะเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากว่าเดือนหนึ่งก็จะมีชาวต่างชาติส่งคำถามเข้ามารวบรวมได้ประมาณ20บกว่าคำถามต่อเดือนพอสมควรที่จะนํามาถามก็จะมาถามกันวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องเอาคำถามภาษาอังกฤษมาถามเพราะได้ประกาศไว้ในเฟซ ของภาษาอังกฤษแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการถามตอบคำถามน่มีการถ่ายทอดสดถ้าใครอยากจะถามยังถามได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเขียนใส่กระดาษสองข้อความเข้ามาก็ได้